เรื่องที่22เรื่องพวงที่9ตอบคำถามเรื่องการสมานฉันบรรยายเมื่อวันที่หนึ่งสิงหาคมพุทธศักราช2549ก็ก่อนที่เราจะเริ่มต้นสนทนากันในประเด็นเนื้อหาสาระนี่ ก็อยากจะทราบโดยตรงจากท่านเจ้าคุรอาจารย์ว่าสุขภาพท่านเป็นยังไงบ้างครับเพื่อที่เราจะได้รู้ว่าเราควรจะใช้เวลาที่นี่สักเท่าไหร่นะครับเลยพรก็ไม่เป็นยังไงฮะก็เป็นเหมือนเคยเป็นคือคนมักจะบอกอาเป็นอาพาธอะไรจะหายเมื่อไร่ดีขึ้นไหมอาตมาเลยอธิบายกับพระบอกตอบไปนี่จะไปตอบอย่างนั้นคือมันไม่ใช่ว่าเป็นโลกนั้นโลกนี้อาพาธนั้นนี่จะดีขึ้นจะหาย คือคนอวัยวะชำรุดอวัยวะชำรุดหรือเสื่อมไปเนี่ยมันก็จะมีอาการตามสภาพแวดล้อมหรือการใช้งานเป็นต้นคือมันเป็นของประจำตัวไม่ใช่ว่าเป็นโรคนั้นโรคนี้เพราะฉะนั้นจะมาถามว่าอวัยวนั้นอวัยวนี้จะดีขึ้นไมมจะหายเมื่อไหร่อย่างเวลานี้ก็เจ็บระบบหน้าอกมาเป็นเดือนแล้วและปอดไม่ค่อยมีกำลังบาทีเช้าตื่นขึ้นมา ให้มาพบนี่พูดนี่อยากจะหน้ามืดแหละต้องตั้งตัวพักนึงคือปอดมันเคยเป็นวันโรคอย่างแรงไอไปเลือดมากมายแล้วหลังจากนั้นมันก็เป็นแผลเป็นเป็นพังผืดจับมันก็ยึดขควบปอดมันทำให้ปอดมีกำลังน้อยแล้วก็แถมหลอดลมมันตีบอีกหมอตรวจบอกว่าหลอดลมของตมาเนี่ยข้างปลายเนี่ยมันใช้งานได้สามสิบปรเซ็นต์ แล้วก็อวัยวะที่ศูญเสียไปอย่างไอทีเส้นเลือดใหญ่ที่ขึ้นไปเลี้ยงสมองนะ่ยก็ผ่าตัดไปแล้วก็หมอก็บอกว่าไอทีนี่มันมีตัวสําหรับส่งสัญญาณให้ปรับชีพจรและความดันอยู่เขาเรียกขาติดบอดดี้แล้วเวลาหมอผ่าตัดเนี่ยก็ทําลายไอตัวศูนย์นี้ไปอันนั้นเมื่อขาดศูนย์นี้ก็ไม่มีตัวอวัยวะที่จะส่งสัญญาณให้สมองรู้ว่าจะปรับ ที่ประจอและความดันโลหิตเท่าไหรท่านั้นก็จะทําให้ที่ประจอและความดันแปรปรวนก็เลยเป็นเรื่องประจำตัวไปนี่ก็อาศัยว่าร่างกายมันมีความสามารถที่หาอาวัยวะส่วนอื่นมาทํางานชดเชยบ้างมันก็ได้บ้างไม่ได้บ้างบางครั้งบางระยะมันก็ชดเชยได้ดีหน่อยบางระยะมันก็ไม่ไหวเพราะฉะนั้น ถ้าจะมาพูดเนี่ยบางทีต้องใช้ชีพจรร้อยี่สิร้อยสามสิบความดันร้อยแปดสิบร้อยเก้าสิบหรือสองร้อยจึงจะมีกำลังพูดแล้วก็ตอนแรกเวลาจะพูดในบางทีแทบจะเป็นลมแล้วพูดไปก็ตั้งตัวไนดะ้อันนี้ก็เป็นเรื่องของอวัยวะที่มันชำรุดมันสูญเสียไปมีตั้งหลายอย่างที่เป็นอย่างเพราะฉะนั้นจะมาถามว่าเอออาพาธอะไรนะตอนที่จะดีขึ้นไหมไม่ต้องถาม คือมันเป็นของประจำตัวว่าอวัยวะนั้นมันสูญเสียแล้วหรือพิการไปแล้วชำรุดไปแล้วก็อยู่ที่ว่าสภาพแวดล้อมเหตุปัจจัยอื่นตอนนี้มันเป็นยังไงอย่างระยะที่แล้วมันนี่ก็คือช่วงข้าวบันษาแปีนี้ฝนตกเรื่อยอากาศชื้นคงจะเป็นเหตุให้ผู้ที่ปอดไม่มีกําลังปอดต้องทางานหนัก เพรานะนั้นเจ็บระบมหน้าอกประจําตัวตลอดเป็นเดือนๆเลยอันนี้ก็เลยเล่าให้ฟังจะได้เข้าใจว่าอ๋อจะมาถามไเรื่องว่าดีขึ้นไหมตอนนี้จะหายเมื่อไหร่ไม่เป็นต้องถามกันแล้วมีแต่ว่าระยะ น, นี้อาการอันไหนมันจะโผล่มาเท่านั้นเองเนี่รายระยะนี้ก็เป็นอาการเด่นของเรื่องปอดก็เอาเป็นว่าสําหรับวันนี้ก็เริ่มต้นก็คุยแบบกันเองแต่ก็ต้องขอภัยไว้ก่อน ที่ขอภัยก็คือว่าความจริงเรื่องเนี้ควรจะนานแล้วเพราะว่าท่านสุโกสโลมาบอกว่านานแล้วเป็นค่อนปีแล้วมั้งคอนปีครึ่งปีว่าโยมพ่ออยากจะมาพูดคุยกันเรื่องสิทธิมนุษยชนอาตมาก็ผัดผ่อนมาเรื่อยเพราะสภาพร่างกายไม่อำนวยจชงกระทั้งมาตอนจะเข้าภรษาท่านก็มาพูดเรื่องนี้อีกอาตมาก็เอ๊ะ เราผัดผ่อนมานานเหลือเกินมันจะไม่ดีแต่ตอนเข้ารรษ า, าก็ระยะสุดหนักพอดีก็เลยเอ้าวขอผัดไปสักเดือนหนึ่งก็เลยมาต ก, กวันที่หนึ่งสิงหาคมเนี่ยหนึ่งวันนั้นว่าวันนี้ก็เลยว่ า, าได้นัดไปแล้วพอดีฝนก็ลงอีกเพราะนั้นก็อาจจะขอภัยซ้อนอีกอันก็คือว่าอาจจะสถานที่ไม่ค่อยสะดวกไม่ค่อยอำนวยตั้งแต่เดินทางเข้ามา เพราะฉะนั้นก็เชิญคุณวิบูลเลยว่ะก็กลับนักประาการท่านอีกครั้งหนึ่งก็วันนี้ฝนตกเนี่ยถือว่าเป็นโอกาสดีนะครับที่ทำให้เรามีความเย็นมาให้กับเรานะครับไอเรื่องปัญหาเรื่องสิทธิมนุษยชนเนี่ยจริงๆแล้วก็เป็นเป็นเรื่องหนึ่งที่ได้ตั้งใจว่าจะมาคุยนะครับก็มันก็มีอีกเรื่องหนึ่งนะครับ ซึ่งคงจะยกขึ้นมาอย่างปัจจุบันทันด่วนก็คือเรื่องสมานณฉั น, นซึ่งก็อยากจะมาฟังว่าสิ่งที่พระพุทธเจ้าได้สอนไปในเรื่องสมานณฉันเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับส่วนเรื่องสิทธิมิชนขอเชิญคุณสุรสีก่อนอกับนักวัตการท่านจุคุณนะครับคือเรื่องสิทธิมิชนก็คงจะมีประเด็นเกี่ยวกับที่กระผมเคยได้อ่านบทความที่ท่านเคยไปบรรยายที่กระทรวงต่างประเทศนะครับเรื่องสิทธิมิชนเนี่ย เราจะพูดถึงความเสมอภาคต่างๆแล้วก็จะมีเรื่องความเสมอภาคระหว่างเพศหญิงชายนี่ยนะฮะก็ต อ, ตอนหลังเนี่ยได้ทราบว่ามีปัญหาเรื่องเกี่ยวกับคนที่มีการเบี่งเบนทางเพศเนี่ยนะครับก็อยากจะมาบวชในศาสนาพุทธเนี่ยมีข้อจํากัดหรือข้อห้ามอย่างไรบ้างแล้วมีพิธีป้องกันอย่างไรอันนึงนะครับแล้วก็กประเด็นหนึ่งก็คือในเรื่องค้ามนุษย์ซึ่งตอนนี้ก็รู้สึกว่ามันเป็นเรื่องสําคัญนะฮะแล้วทางแก้มันก็แค่จะมีปัญหามาก ว่าเราจะใช้ศาสนาพรุทธเนี่ยมีท่าทียังไงที่จะทําให้ปัญหาการค้ามนุษย์มันลดลงไปได้นะครับซึ่งอันนี้ก็จะโยงไปถึงเรื่องกาตมันฉันที่คูณพิบูลได้พูดถึงนะครับจะเริ่มมันไหนก่อนหรือพูดถึงสมานฉันและตามลําดับที่ถามดีไมจริจริงเรื่องสมานฉันเนี่ยอย่างที่กาเปลี่ยนท่านนะครับว่าท่านอดีตนายกอ น, นันเนี่ย อ, อยากจะมานะครับแต่ว่าท่านมาไม่ได้ท่านก็เลยฝากเข้าใจว่าเป็นรายงาน ของคณะกรรมการสมานฉันนะครับที่แก้ปัญหาสามจังหวัดภาคใต้แต่ว่าเรื่องปัญหาเรื่องสมานฉันเนี่ยมันตอนนี้มันไม่ได้ไปเป็นเรื่องของ3ามจังหวัดภาคใต้เท่านั้นนะครับมันเป็นเรื่อง เ, ออเป็นประเด็นทางการเมืองนะครับในขณะนี้ผมก็ดูจากพจนานุกรมเนี่ยนะครับคาว่าสมานฉันแปลว่าความมีใจเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันความพร้อมใจกันนะครับ ถ้าเราดูบรรยากาศทางการเมืองในขณะนี้เนี่ยอฝ่ายหนยึ่งก็ปากก็ว่าสมานฉันท์แต่ว่ามีการฟ้องร้องดําเนินคดีกันแล้วก็อีกฝ่ายหนึ่งก็ยังไม่มีท่าทีที่จะรอมชอมหรือว่าสมานฉันท์กันตามที่มีการพูดกันเลครั บ, รบก็อยากจะขอฟังท่านเจ้าคุณอาจารย์ช่วยคุยกันพวกเราในประเด็นนี้นะครับเจริญก็คุยกันแบ บ, บสบายๆอย่างที่บอกแล้ว สมานชฉันหรือสมานชฉันก็ได้อ่านได้สองอย่างพจนานุกรม บ, บางอันนเรามาดูศัพท์ซะก่อนความจริงคําว่าสมานชฉันหรือสมานชฉันเนี่ยไม่ได้เป็นศัพท์ธรรมะโดยตรงเป็นคําบาลีที่ใช้ในชีวิตประจําวันสมัยนั้นเป็นคําศัพท์ชาวบ้านสามัญก็แปลตามศัพท์ซะก่อนว่ามีฉันทะเสมอกันคือสมานะตัวหนึ่ง สมานะที่มาเป็นสมานในภาษาไทยนะแล้วก็ฉันทะตัวหนึ่งสมานะสมานเนี่ที่จริงเดิมมันไม่ได้มีความหมายแบบไทยสมานะแปลว่าเสมอกันแต่ว่าเท่ากันเสมอการเท่ากันก็เหมือนกับตรงกันทีนี้พอมันเท่ากันตรงกันไปไปมาๆ ม, ามันก็เลยร่วมกันนะความหมายมันคล้ายๆ ค, ความหมายที่ขยายออกมา ความหมายงอกก็ได้โดยเฉพาะเข้ามาในภาษาไทยแล้วมันจะมีความหมายเป็นอย่างที่เราเข้าใจในภาษาไทยว่าสมานแปลเป็นร่วมประสานไปเลยทีนี้ในภาษาพระเนี่ยเราจะเห็นคำนี้ในคำว่าสมานัตตาหลักธรรมอยู่นี้อยู่ในสังขาวัตุสีแต่อันนั้นเอาไว้ก่อนเดี๋ยวค่อยพูดกันเอาเฉพาะสมานฉันนี่ก่อนเขาบอกเมื่อกี้บอกว่า สมานฉันนี่เป็นศัพท์ในชีวิตชาวบ้านศัพ์สามัญในชีวิตประจําวันในนี้เราต้องดูเข้าใจคําว่าฉันทะก่อนเมื่อกี้เข้าใจคําว่าสมานนะฉันทะเนี่ยภาษาไทยเราก็ยังเข้าใจไม่ค่อยชัดฉันทะนี่แปลว่าความอยากจะทํามันมีทำอยู่ด้วยนะทําอะไรอยากจะทําต้องการจะทําแล้วก็มีใจตรงกันอยากจะทําอันนั้น เขาเรียกว่าสมานฉันยกตัวอย่างเลยคําที่ฉันใช้ในเรื่องราวในภาษาบาลีเช่นอย่างเรื่องว่ามีชายหนุ่มคนหนึ่งเนี่ยแกเป็นคนมีอัธยาสัยชื่อว่านายมะะัคคะนี่ก็ทํางานกันอยู่ในหมู่บ้านเนี่ยนี่แกก็เป็นคนใจดีแล้วก็รักความสะอาดรักความเป็นระเบียบเรียบร้อย ทำงานด้วยกันแบบชาวบ้านแกก็ทำสถานที่อะไรแต่อะไรกวาดอะไรแต่ ไ, ไให้เรียบร้อยทำให้สมบูรณ์เสมอเรียบและแกก็ทำงานสบายคนอื่นเห็นสถานที่แกก็ชอบเข้ามาใช้ที่แกก็เลยค่อยๆเลื่อนตัวออกไปให้คนอื่นเข้ามาทำแล้วแกก็ไปทำที่ใหม่ให้มันเรียบร้อยอย่างนั้นอีกคนอื่นก็ชอบก็ไปอาศัยแกก็ขยายอาไปทำไปเรื่อย ต่อมาก็มีคนชอบกันเยอะแกก็ได้โอกาสต่อมาก็ชวนบอกว่าหมู่บ้านของเราเนี่ยมันไม่ค่อยเรียบร้อยไม่ค่อยสะอาดถนนห้นทาก็เดินทางลำบากจะข้ามน้ำข้ามเลยก็ไม่มีสะพานเรามาช่วยกันทำปรับถนนพื้นที่ให้เรียบร้อยทำสะพานกันจะดีไหมพวกนั้นก็ใจร่วมอยู่แล้วนี่ยชอบใจแกนะก็เลยเอาด้วย ก็มาชวนกันไปอุปกรณ์มีดพลาไปปรับสถานที่ถนนหนทางแล้วก็ทําสะพานเป็นต้นตลอดจนขุดบอ่อขุดสระน้าอะไรต่างๆเนะี่ยกลายเป็นบําเพ็ญประโยชน์กลายเป็นว่าเป็นเรื่องที่ทํากับประจําวันเช้าขึ้นมาตื่นก็ชวนกันไปบปําเพ็ญประโยชน์อย่างนี้นิการที่เขามาถึงจุดนี้ที่ว่าใจตรงกัน ที่อยากจะทำงานดบับคามเป็นประโยชน์นอันนี้ก็เรียกว่าสมานฉันเพราะนั้นในที่นี้ท่านจะใช้ศัพท์ว่าสมานฉันคนกลุ่มนี้มีสมานฉันทะก็พากันไปแต่งถนนขุดสะสร้างสะพานเป็นต้นอย่างนี้เป็นตัวอย่างเข้าใจว่าคงจะเห็นความหมายแล้วคือมันมีอะไรที่จะทำอยู่แล้วก็มีสมานะฉันทะทีนี้ในภ า, าษาไทยนี้อัรมภาพว่าการใช้มันยังลอยๆอยู่ ถ้ามันไม่มีอะไรจะทำที่จะร่วมกันทำเนี่ยมันไม่เป็นสมาณะฉันทะหรอกเนตอนนี้คล้ายๆเราเพียงแต่ว่าให้ใจมาสามัคคีมันก็ลาบากเนี่ยมันไม่มีจุดมันจะถึงจุดสมาณฉันต้องมีอะไรที่จะทำร่วมกันและตกลงใจและใจตรงกันนะเสมอกันก็เรียกว่าร่วมใจกันที่จะทำการบางอย่างนั่นเองจึงจะเป็นสมาณะฉันทะ อันนี้ของเราเนี่ยถูกไหมว่าเหมือนยังไม่มีไอ้ทุกสมานะฉันเนี่ยใจที่จะทําการร่วมกันไม่มีเพรการที่จะทําการร่วมกันมันก็มีจุดหมายว่าทําการนั้นเพื่อจุดมุ่งหมายอันนั้นเพราะนั้นคนที่จะทําการร่วมกันก็มีจุดหมายร่วมกันด้วยนี่เวลาพูดในแง่ตัวศัพท์นี้ถ้าพูดลึกลงไปก็พูดในแง่ธรรมะพวกสมานะเนี่ยใช้ในภาษาพระเยอะเพราะว่ามันมีความหมายว่าเสมอ นี่หลักเรื่องเสมอนี่เป็นเรื่องใหญ่ในทางพรศาสนาเพราะเป็นหลักของความสามคัคคีสมานฉันทะไม่ใช่สามคัคคีแต่เป็นเหตุของความสามัคคีทีหนึ่งบางทีเราก็ใช้ปะปนกันเหมือนกับสมานฉันทะนี่ก็อันเดียวกับความสามคัคคีคนจะสามัคคีเนี่ยต้องมีสมานฉันทะแต่เราไปใช้เป็นความหมายเดียวกันไปซะนี่สมานะฉันทะนี่ก็มีว่า โดยทั่วไปเนี่ยมันเริ่มมาจากอะไรหนึ่งมันมีหลักความเชื่อเช่นมีศรัทธาแล้วมีความเชื่อมีแนวคิดที่มันสมานะตรงกันเสมอกันก็คือแนวคิดร่วมนั่นเองมีความเชื่อถือมีความยึดถือในหลักการในดูอุ ด, ดมการหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันหนึ่งละแม้แต่ชาวบ้านก็มีความเชื่อถืออันเดียวกัน อย่างเรื่องศาสนาอะไรต่างๆก็เป็นจุดร่วมอันหนึ่งได้ก็รวมกันอันนี้ท่าเรียกว่าสมานทิฏฐิอันนี้เริ่มเข้าสับธรรมะแหละก็มีทิฏฐิเสมอกันเป็นหลักสําคัญมากถ้าคนเรามีแนวคิดมีหลักความเชื่ออะไรแต่ละอย่างเดียวกันมีศรัทธาร่วมกันเนี่ยใช้ได้แหละเริ่มแหละมันชักจะมีสมานฉันแล้วแหละ น, นบางทีไทยเราใช้สมานฉันนัอาจจะได้ความหมายแค่อันนี้เดียซ้ํา สองก็คือมีวิถีชีวิตการดำเนินชีวิตวัฒนธรรมแนวทางการประพฤติปฏิบัติความเป็นอยู่อะไรเนี่ยนะเป็นแบบเดียวกันเสมอกันแนวเดียวกันเข้ากันได้พอวิถีชีวิตวัฒนธรรมอะไรต่งตาง ม, มาเข้ากันได้มันก็ไปได้มันก็เป็นพื้นของการที่จะมีสมานฉันสองอันนี้เป็นสำคัญภาษาพราะกัเรียกว่าสมานทิฏฐิกับสมานศีลสมานศี หรือโดยปกติก็จะเรียงสมานสีละก่อนสมานสีละก็มีศีลเสมอกันมีแนวทางความประพฤติอย่างคนที่จะเป็นโจรก็ต้องมีแนวความประพฤติเสมอกันเหมือนกันหรือคนที่จะทำความดีอะไรต่างๆก็มีแนวความประพฤติปฏิบัติวิถีชีวิตวัฒนธรรมเลยพวกนี้แบบเดียวกันเข้ากันได้แล้วก็สมานทิฏฐิมีทิฏฐิแนวความคิดความเชื่อเสมอกันอันนี้เป็นพื้นก่อน ถ้ามีสองอันเนี่ยก็พร้อมที่จะสมานัชันโดยง่ายเลยเป็นพื้นเอาละอันนี้เราพูดถึงขั้นต้นก่อนทีนี้ขั้นที่หนึ่งนี้ต่อไปก็คือถ้าขั้นที่หนึ่งมันไม่พร้อมเราจะทาไงเราก็ต้องไปอาศัยขั้นที่สองขั้นที่สองก็คือเราต้องมีความเพียรพยายามขึ้นไปละไอตอนขั้นที่หนึ่งนี่มันแทบจะเป็นธรรมชาติเลยอันนี้ต่อไปก็ต้องเพียรพยายามขึ้นมา ขั้นที่สองนี่อันแรกก็คือองค์ประกอบปัญญาเอาและต้องใช้ปัญญาต้องมีความรู้อย่างถ้าเราอยู่ในสังคมจะเป็นเรื่องของกิจการสังคมก็ต้องมีการให้ความรู้ความเข้าใจมาถกเถียงมาแสดงเหตุแสดงผลว่าทําไมเราจึงจะต้องมาทําการนี้ร่วมกันอะไรต่างๆเป็นต้นจะต้องให้เขาเข้าใจเหตุผลอันนี้ให้ได้ต้องใช้ปัญญากันแต่พร้อมกับการจะใช้ปัญญาอีกด้านหนึ่งที่ขาดไม่ได้ก็ด้านจิตใจ ด้า น, นจิตใจก็คือต้องมีเจตนาที่ดีเจตนาที่มุ่งดีไม่มีเจตนาร้ายต่อกันมีความปรารถนาดีต่อส่วนรวมมีปรารถนาดีต่อชุมชนมีปรารถนาดีต่อกันและกันคนที่เกี่ยวข้องเนะ่ยเช่นว่าเจตนานั้นประกอบด้วยเมตตากรุณาโดยเฉพาะก็คือเมตตานี่แหละเจตนานั้นก็คือองค์ประกอบนําในทางจิตใจที่ว่าจะตั้งใจยังไงแต่ไอ เจตนาจะตั้งใจไงก็ต้องมีคุณสมบัติเจตนานี้ก็ต้องประกอบด้วยเมตตาความรักความปรารถนาดีเป็นสําคัญและองค์ประกอบอื่นก็ว่าเข้าไปแต่เจตนาเป็นตัวสําคัญเอาละให้เจตนานี้ประกอบด้วยเมตตาความรักความปรารถนาดีเราก็ต้องพยายามสร้างไอ้นี้ขึ้นมาให้ได้และสองอันนี้มันก็เป็นปัจจัยต่อกันคนจะมีเมตตาปรารถนาดีต่อกันมันก็ต้องเข้าใจกันต้องมีปัญญารู้เข้าใจ อย่างน้อยรู้เหตุรู้ผลว่าทําไมเราจะต้องมีความปรารถนาดีต่อกันเป็นมิตรกันเพราะอย่างนี้อย่างนี้เราอยู่ร่วมในสังคมเดียวกันอะไรแต่อะไรและเราก็ไม่ใช่ว่าอะไรเราก็เป็นเพื่อนมนุษย์กันนี่แหละแล้วก็โลกนี้ปัจจุบันมันจะอยู่เป็นสุขก็ต้องช่วยเหลือกันเบียดเบียนกันมันก็เดือดร้อนไปด้วยกันอลไรก็แล้วแต่ว่าก็สัรหาเหตุผลมาปัญญาก็ต้องทํางานแล้วก็ไม่ใช่เฉพาะว่าปัญญาในเชิงคิดเหตุผลแต่ว่าปัญญารู้ข้อมูลข้อเท็จจริงต่างๆ อย่างทั่วตลอดทำให้เราเนี่ยสามารถเอามาใช้เป็นฐานความคิดได้ถ้าไม่รู้ข้อมูลข้อเท็จจริงเพียงพอนี่มันก็ทำให้การคิดนี่ไม่ได้ผลดีเท่าที่ควรนั้นก็จะต้องให้ความรู้ความเข้าใจนี่มากเพราะนั้นขั้นที่สองนัคือขั้นที่หนึ่งเนี่ยมันไม่พร้อมพอก็มาขั้นที่สองเรื่องปัญญาแล้วก็มาปรับเจตนาให้ดีให้ได้ถ้าเราทำขั้นนี้ไม่สาเร็จแล้วก็ยาก ถ้าทำให้เจตนาคนมันมาปรารถนาดีตั้งใจดีต่อกันมันไม่ได้เจตนามันยังร้ายอยู่อย่างเงี้ยแล้วเราจะไปได้ผลแหละการแสดงออกมันก็เป็นการไม่จริงใจเพราะเจตนามันตรงมันแน่นอนมันก็จริงใจต่อกันโดยไม่ต้องตั้งใจมันก็จริงจังมันก็จริงใจอยู่ในตัวเลยตอนนี้ปัญหาเจตนามันจะไม่ตรงกันทีนี้นอกจากปัญญากับเจตนาซึ่งเป็นเรื่องภายในจิตใจแล้ว ก็ต้องมีองค์ประกอบภายนอกมันหนุนองค์ประกอบภายนอกก็คือเรื่องของขั้นปฏิบัติการเรื่องของการดําเนินชีวิตความเป็นอยู่แล้วเนี่ยมันก็จะต้องมีตัวมาช่วยหนุนช่วยหนุนนี่ก็คือหลักที่จะมาประสานคนให้รวมกันหลักการประสานคนมันก็มีอยู่แล้วถ้าใช้ธรรมะทางธรรมะนี่คําว่ารวมให้เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเนี่ย ก็คือคําที่เป็นที่มาของคำว่าสังเคราะห์ใช่ไหมสังเคราะห์แปลว่าเราเอาอะไรอะไรมาสารต่างๆมาประสานรวมเข้าด้วยกันเราเรียกว่าสังเคราะห์ก็คือรวมเข้าให้เป็นหนึ่งนั่นเองจากหลายมาเป็นหนึ่งสังเคราะห์นี่เราเอาใช้เป็นศัพท์รูปธรรมที่จริงมันมาจากศัพท์ใช้ทางทางสังคมศัพท์บาลีก็คือคําว่าสังหะนั่นเองสังฆะก็มาเป็นสังเคราะห์ แต่ว่าสังขะเนี่ยเราใช้ในรูปอีกรูปหนึ่งเราแปลเป็นไทยเป็นสงเคราะห์พอใช้เป็นสงเคราะห์กลายเป็นความหมายหนึ่งสังเคราะห์กลายเป็นความหมายหนึ่งที่จริงสับเดียวกันก็คือจับมารวมเข้าด้วยกันเพราะคําว่าขะหะแปลว่าจับสังแปลว่ารวมเข้าด้วยกันสังขะแปลว่าจับรวมเข้าด้วยกันสังขะก็สังเคราะห์จับมารวมเข้าด้วยกันประมวลรวมพนึกประสานเข้าไปอันหนึ่งอันเดียวกัน สังขาวัตถุนั่นเองก็คือหลักการประสานคนหรือรวมคนให้เป็นอันหนึ่งเดียวกันนี่คือหลักความสามัคคีโดยตรงเลยหลักสามาคีในพุทธศาสนาก็คือหลักสังคาวัตถุเพราะแปลว่าหลักการสังเคราะห์คือประมวลหรือรวมคนเข้าเดีย ก, กันนี่สังขาวัตถุสี่นี่เป็นเรื่องของปฏิบัติการและในชีวิตประจําวันมันก็ต้องมีมาเป็นตัวหนุนเลย เราจะทำในด้านจิตใจอะไรแต่ละให้ปัญญาอะไรตั้งหลายทำไปแต่ด้านหนึ่งก็เนี่ยหนึ่งทานการแบ่งปันการให้กันสองพยาบาจาการพูดดีการสื่อสารให้ความรู้ซึ่งมันก็สื่อเรื่องปัญญาด้วยแล้วก็พูดกันดีๆ ด, ด้วยความปรารถนาดีไม่ใช่พูดร้ายแล้วก็อัธยจริยาก็บำเพ็ญประโยชน์ต่อกันช่วยเหลือกัน แล้วก็สมานัตาตามีตนเสมอสมานัตาตานี่แหละตัวสำคัญสมานัตาตาก็มีหลายขั้นคือสมานะอย่างที่ว่าเมื่อกี้ของสมานัตาตาก็มีอัตตาเสมอกันนั่นเองก็ตัวเดียวกันนี่แหละชั้นใช้เลยสมานัตตาก็สมานัตตาสมานัตตาก็มีอัตตาเสมอกันก็มีอัตตาเสมอการอัตตาไงเสมอกันก็เริ่มแต่เอ้าไม่ดูถูกดูหมิ่นกัน แล้วก็ไม่เอารัดเอาเปรียบกันแล้วก็ไม่เรื่องที่รักผลักทิชชังมีความเสมอภาคนั่นเองมีตนเสมอก็คือไม่แบ่งแยกไม่ดูถูกดุหมิ่มีความเสมอภาคและสุดท้ายท่านเรียกว่าสมานะสุขทุก ข, กขตาสมานะทางนั้นแปลว่ามีสุขทุกข์เสมอกันภาษาไทยก็มาแปลมีสุขทุกข์เสมอกันสมานะตัว น, นี้ก็แปลว่าร่วมสุขร่วมทุกข์ ที่ว่าสมานะที่แปลว่าเสมอกัรเนี่ยมาเป็นไทยทาไมแปลว่าร่วมเนี่ยพอมีสุขทุกข์เสมอกันก็ร่วมสุขร่วมทุกข์นี้ถ้าคนร่วมสุขร่วมทุกข์กันได้ก็เข้าอยู่รวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเราจะเห็นว่าหนึ่งทานการให้แบ่งปันยังเป็นคล้ายๆต่อกันพิญวาจาก็พูดดีต่อกันอัจฉริยาก็บาเพ็ญประโยชน์ต่อกันพอสมานะตานี่เข้ารวมกันเลย เข้าครุกรวมกันอยู่ด้วยกันแหละนีถ้ายัางไม่ถึงสมานะ ต, ตานี่ความสามัคคีก็เป็นปัจจัยเพราะความสามัคคีต้องอาศัยความเป็นธรรมความยุติธรรมความเสมอภาคแล้วก็ไปถึงร่วมสุขร่วมทุกันสมานสมานะเสมอแบบสมานภาษาไทยเนี่ยมันยังมีปัญหาเรื่องความเสมอเรามักจะเน้นไปในทางแบ่งในทางแย่งกันนีเช่นว่าความเสมอในทางเศรษฐกิจว่าเสมอภาคเท่ากัน แต่คอยมองว่าเขาได้เท่าไรเราได้เท่าไร เ, ออเขาได้มากกว่าไม่ยอมยอมไม่ได้อย่างนี้เรียกว่าเสมอภาคแบบแข่งแย่งแต่ว่าเสมอภาคแบบธรรมเนี่ยเป็นเสมอแบบรวมกันถ้าก็ท่านมีสุขทุกเสมอกันนี่มันรวมกันแน่ใช่ไหมก็ตั้งแต่แรกอะไรตั้งแต่อันที่หนึ่งอะเสมอกันไม่ดูถูกบูมินไม่รัดอเปรียบ ม, มันเสมอแบบที่จะรวมทางนั้นเลย แต่ภาษาไทนี่มันจ้องแบบว่าจะไม่ให้ใครมากกว่าฉันเพราะนั้นมันยากไอ้เจตนาท่าทีของจิตใจนี่มันเสียหมดนั้นเราจะต้องปรับเปลี่ยนหมดเลยท่าทีแม้แต่พื้นฐานนะ่ยไม่ให้เป็นเสมอภาคแบบแข่งแย่งทําให้เป็นเสมอภาคแบบที่จะร่วมกันนนี้ถ้าเรามีไอ้ความสุขทุกเสมอการร่วมสุขร่วมทุกได้เนี่ยมันก็ทําให้เกิดความสามคัคคีนี่มันต้องมาประกอบช่วยกัน พอเราเข้าไปอยู่ด้วยกันรวมกันเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วเราก็มีทั้งฐานปิยาวาจารจิยาไปด้วยมันก็เป็นเครื่องทําให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้นแล้วทีนี้ก็เอาไอ้ปัญญามาช่วยคอยเป็นตัวปรับตัวแก้ทําให้ชัดเจนมันก็จะได้ผลดียิ่งขึ้นแล้วเจตนามันก็เป็นตัวที่จะได้ตามมาแต่ว่าเราก็ต้องคอยเหมือนกับว่า เป็นกับตันที่คอยทําให้ไอเจตนาเนี่ยมันไม่ออกนอกรูกนอกทางก็คิดว่าแค่นี้ก็ได้เยอะและ้วเดชเชิดก่อนมีอะไรน้ำมศการคุณเจ้าครับคืออยากจะขยายต่อเรื่องความสมานฉันน์กราบมาถามพระอาจารย์ของพ่อคือว่าถ้าสมานฉันน์ตรงนั้นเป็นเรื่องกับเรื่องที่มันยากๆ เ, เกี่ยวกับเรื่องความเป็นไปทางสังคม เ, เกี่ยวกับนโยบาย เกี่ยวกับการจัดการบริหารของผู้ปกครองด้ว ย, ยฮ ะ, ฮะหลักสามคีที่หลวงพ่อได้พูดมนสักครู่เนี่ยมันจะมีปัญหาเพราะมันต้องเจอคนหมู่มากความเข้าใจตรงกันความสมานฉัน์ตรงนี้อาจจะทำได้ยากเพราะว่าความเข้าใจมันต่างระดับกันนะฮะก็เนี่ยที่ว่าเมื่อกี้คือขั้นที่หนึ่งเราบอกว่ามีสมานทิติสมานศสีละนี่ถ้าได้ขั้นนี้มันก็ง่าย ทีนี้ก็บอกว่าในกรณีที่ขั้นนี้มันเราไม่มีหรือไม่พอทําไงเราจะต้องไปเน้นขั้นที่สองก็ในกรณีของประเทศไทยขนาดนี้เราต้องยอมรับไอ้ขั้นที่หนึ่งเนี้ยเรามีปัญหามากเป็นปัญหาก็เพราะขาดอันท่านที่หนึ่งเนี้ยขั้นที่หนึ่งนี่มันไม่สมานะมันไม่สมานคือวิถีชีวิตวัฒนธรรมความเป็นอยู่อะไรมันก็ไม่สมานะแล้วก็ทิฏฐิความเชื่อถือแนวคิด มันก็ไม่เข้ากันนี่แหละปัญหามันอยู่ที่ต้องยอมรับว่าขั้นที่หนึ่งนี่เราไม่ได้เรา ต, ต้องมาพยายามขั้นที่สองนี่ขั้นที่สองก็ต้องใช้ปัญญาให้หนักสิปัญญาในขณะนี้ตรตมาว่าเราไม่ค่อยเน้นการให้ความรู้เข้าใจข้อมูลแม้แต่เรื่องวัฒนธรรมก็พูดกันงั้นเองว่านี่เป็นวัฒนธรรมของเขาของเขาของคณะนั้นแต่ก็ไม่รู้ว่าวัฒนธรรมนั้นำมาอย่างไงเป็นยังไง แล้วก็รู้ในขอบเขตแคบๆเราไม่ได้มองทั่วโลกอะไรเป็นต้นว่าเออที่ว่าวัฒนธรรมเงี้ยมันมีความเป็นมาอย่างไรแล้วก็มันมีความแตกต่างแม้แต่ในวัฒนธรรมนั้นแหละที่เขาบอกเป็นวัฒนธรรมของหมู่นั้นหมู่นี้น่ะที่อื่นที่เป็นหมู่นั้นหมู่นี้น่ะเขาทำอย่างนี้หรือเปล่าเราก็ไม่ได้ชัดมันต้องพูดกันได้หมดทั้งโลกนี้เขาปฏิบัติเรื่องนี้กันอย่างไรความรู้ข้อมูลแบบนี้ เป็นความรู้แบบเป็นกลางๆจะเรียกว่าข้อมูลล้วนๆก็ได้ไม่มีความคิดเห็นเรื่องนี้เราต้องแยกความรู้เป็นขั้นเป็นตอนเหมือนกันคือความรู้ประเภทเป็นข้อมูลข้อเท็จจริงล้วนๆจะเรียกว่าเป็นความรู้ที่ไม่เข้าใครออกใครเนี่ยนต้องให้แบบที่เรียกว่าแทบไม่มีขีดขั้นเลยมันจะตรงใจใครไม่ตรงฉันไม่เกี่ยวเนี่ยมันเป็ น, ค ว, น, น, นความจริงอย่างนั้นเนี่ก็พูดไปสิแต่ว่าเราไม่วิจารณ์ไม่ให้ความเห็น อันนี้สังคมไทยขาดมากความรู้เรื่องศาสนาเรื่องวัฒนธรรมเรื่องอะไรที่ไหนเป็นแย่ว่าไปสิแล้วเราก็ไม่ต้องให้ความเห็นไม่ต้องวิจารถ้านั้นแหละแต่มันเป็นอย่างเนี้ข้อมูลทีนี้ขั้นที่สองตอนนี้ต้องระมัดระวังแล้วก็ต้องเป็นผู้ที่มีความสามารถในการสื่อสารที่จะถ่ายทอดเช่นจะให้ความคิดเห็นตอนเนี้ให้ความคิดเห็นวิจารณอะไรต่างๆขั้นที่สอง อันนี้อาจจะต้องจำกัดจำนวนคนที่เลือกสรรที่มีความสามารถสื่อสารได้ดีให้เป็นพิยวัจจาเป็นต้นแล้วต่อจากนั้นก็ค่อยขึ้นไปสู่ขั้นที่ว่ามาชวนการทำอะไรตร่างแต่ว่าอันที่หนึ่งเนี่ยเวลานี้สังคมไทยอาตมาว่าขาดมากเราพูดกันไปข้ามขั้นเลยเช่นเราพูดว่าอันนี้เป็นวัฒนธรรมของคนกลุ่มนี้หมู่นี้จบ แล้วก็ไม่ได้บอกว่าวัฒนธรรมนี้มันคืออย่างไงมันไปอย่างไงมาอย่างไงที่ไหนเขาปฏิบัติกันอย่างไรนันต้องเน้นมากไอ้เรื่องความรู้ข้อมูลที่มันเป็นความรู้ล้วนๆกลางๆเป็นข้อเท็จจริงไม่เข้าใครออกใครไม่มีความรู้สึกพนเวลานี้ก็ชักจะต้อหนักกันมากขึ้นเรื่องว่าสังคมไทยเนี่ยแยกความรู้กับความรู้สึกไม่ออกสังคมเรานี่หนักในด้านความรู้สึก บางทีไม่เอาความรู้หรือเอาความรู้ก็ไปปนความรู้สึกจนความรู้มันไม่ออกมาในความรู้ที่มันเป็นของกลางๆล้วนๆแท้ๆเนี่ยจะต้องเน้นให้มากเวลานี้สําหรับสังคมไทยแล้วก็ฝึกจากตัวความรู้ที่เป็นของกลางที่เป็นของจริงของแท้นะแล้วฝึกในด้านความคิดการให้ความเห็นบนฐานของความรู้ไม่ใช่ให้ความเห็นบนฐานแต่เพียงความรู้สึกเลยพอน อ, อาจจะเชิญยังมีแง่ยังไงอีกจะอาจจะยังตอบไม่จบก็ได้เชิญเชิญต่อห ร, รือได้อ่านหนังสือของหลวงพ่ อ, อล่าสุดเรื่องธรรมะทิปไตยนะครับเบ่อในช่วงนี้ก็พยายามอ่านเยอะหลวงพ่อได้ได้พูดถึงเรื่องของกฎหมายกับกฎธรรมชาติซึ่งก็กฎกฎของธรรมะแต่ปัจจุบันปรากฏว่ากฎกฎหมายที่มนุษย์สร้างขึ้นเนี่ยเราก็พยายามจะเอาตรงนั้นเป็นส่วนหนึ่งในการที่จะทําให้เกิดความสมานฉันท์ แล้วก็ลดความขัดแยง้งตรงนี้ไม่ทราบหลวงพ่อจะมีความคิดเห็นหรือว่าที่จะให้คําแนะนําตรงนี้อย่างไรเพราะว่าเมื่อทีกฎหมายก็เปลี่ยนไปตามคนที่เป็นคนถือกฎหมายมแล้วก็คนที่เป็นคนแปลเจตนากฎหมายนั้นด้วยครั บ, รบถือกฎหมายนี่ก็เป็นกติกาชนิดหนึ่งเป็นกติกาของสังคมนี้กติกาเนี่ยเรามีขึ้นมาเพราะเรามีความต้องการและมีวัตถุประสงค์บางอย่าง เมื่อเรามีวัตถุประสงค์บางอย่างก็คือวัตถุประสงค์ที่เรียกว่าเป็นธรรมชาตินั่นเองก็คือเรามีความต้องการจะอยู่ร่วมกันและทําการให้มันเป็นเรื่องเป็นราวเช่นอย่างเนี้ยเอาอย่างง่ายๆอย่างพระมาอยู่ด้วยกันก็ต้องมีกฎหมายหรือกฎกติกาแม้แต่เป็นพระอาหารหันต์พระอาหารหันต์ท่านมาเช่นมาอยู่ที่แห่งหนึ่งเป็นวัดป่าท่านก็ต้องมาตกลงกันเออเรามาอยู่ด้วยกันแล้วก็เราอยู่ห่างกันไกลกัน องนั่นก็ไปอยู่ต้องอาจจะห่างกันเปกิโลพูดกันไปถึงการเดินไปหากันก็ยากอะไรเนี้นะแต่ละครังเรามันได้ยินไปไกลนี้เรามาตกลงกันว่าเราจะมาออกบินตาบาดพร้อมกันนะเวลาเท่าไหร่แล้วก็จะมาฉันเวลาเท่าไหร่แล้วก็ตอนสายแยกกันไปอยู่ในที่ของตนแล้วแล้วเวลานั้นเราจะมารวมกันอีกจะมากวาดลานวัดหรือจะมาทํากิจวัตรอะไรก็แล้วแต่ แล้วก็มาตกลงกันนัดเวลาและเพื่อจะให้ได้ผลตามเวลาก็าจะมีบอกกระทำสัญญาณมีการตีละคังเป็นต้นเราก็ตีละคังนัดหมายก็เกิดไปกติกาขึ้นมาอย่างเงี้ยกติกานี่ก็แปลว่าเครื่องหมายรู้สําหรับคนที่เจริญแล้วเนี่ยก็มีปัญญารู้เหตุรู้ผลกติกานี่ก็สร้างขึ้นมาด้วยความรู้เข้าใจความมุ่งหมายแล้วก็หมายรู้กันกฎนั้นก็ไม่ใช่เรื่องจําใจ กเพราะว่าเขาทาด้วยความที่เข้าใจและมีความต้องการอย่างนั้นเขาก็ใช้กฎกติกานี้จะเรียกว่ากฎหมายก็คือกฎสําหรับหมายรู้ร่วมกันทีนี้สําหรับมนุษย์ที่ไม่ได้เกิดจากความเข้าใจก็กลายเป็นถูกฝืนใจบังคับก็มีความรู้สึกไม่ดีนั้นไอ้กฎกติกาที่แท้เนี่ยตามพระธรรมวินัยแล้วมันมาอย่างนี้ก็คือเป็นข้อหมายรู้ร่วมกันเพื่อจะให้กิจการของสังคมมันเป็นไปได้ อย่างที่ว่าแม้แต่วัดป่าที่พระอรหันต์มาอยู่ด้วยกันท่านก็ยังต้องมีกติกาต้องมีกฎไม่ใช่ว่าท่านจะอยู่โดยไม่ดีกฎแต่กฎอย่างนี้เราเห็นชัดว่ามันมีเพื่อวัตถุประสองค์อะไรและในสังคมของเราก็เหมือนกันที่เราจะสร้างกติกากฎหมายขึ้นมาเนี่ยถ้ามันเป็นกฎหมายที่ดีก็คือเรามีจุดหมายที่ดีของสังคมต้องการในสังคมนี้อยู่กันร่มเย็นเป็นสุขเนี่ยมีความเป็นระเบียบเรียบร้อยอย่าง ก, กฎจราจรเงี้ย ก็เพื่อให้รถแต่ละคันไปได้ดีไม่ใช่ไปกระจุกทุกคนอยากไปเลยไปไม่ได้สักคนใช่ไหมทีนี้ถ้าเรามีกติกาก็เ อ, อมันก็ทําขึ้นมาเพื่อประโยชน์ของทุกคนนั่นแหละนั้นเราต้องเข้าใจว่าไอกฎกติกาที่แท้มันเป็นอย่างนี้ไม่ใช่เป็นอะไรก็ไม่รู้ที่ทําขึ้นมาแล้วเป็นข้อข้อแล้วก็มาบังคับกันทีนี้เวลานี่คนมันไม่เข้าใจเรื่องกฎหมายเหล่าเนี่ยมันก็เห็นเป็นอะไรก็ไม่รู้ที่มีคน ฝ่ายหนึ่งกลุ่มหนึ่งหรือรัฐเนี่ยเอามาบังคับแล้วเขาก็ไม่เข้าใจว่าประโยชน์มันจะเกิดขึ้นยังไงอะนนั้นการศึกษาในเรื่องนี้ไม่มีประชาธิปไตยก็ไปยากถ้าปัญญาคนไม่มีนั้นก็ต้องให้การศึกษาให้มีความรู้ความเข้าใจอืมทีนี้ธรรมชาติการเมืองเนี่ยนะครั บ, รบรธรรมชาติของการเมืองเนี่ยมันเป็นของเป็นมันเป็นเรื่องที่ไม่มีเมตตาไม่มีความรักรรมีแต่การเอาชนะฆ่าคานกัน ในทางการเมืองเนี่ยมีความเป็นไปได้แค่ไหนครับที่จะมีความสมานฉัน์คือสมานฉัน์มันมีได้ไปบางระดับไม่ได้มีได้ทุกระดับสำหรับคนที่ทำการแบบนี้เพราะว่าเขามาเช่นว่ามาอยู่พักการเมืองต่างพักเนี่ยก็แสดงว่าเขามีแนวคิดบางอย่างไม่ตรงกันใช่ไหมว่าไหมแนวคิดบางอย่างไม่ตรงกันไอฉันทะบางอย่างมันจะตรงกันไม่ได้แต่ว่าในพักการเมืองนั้นเขาน่าจะมีสมานฉัน์ในระดับของพัก ก็คือต้องการทำการบางอย่างที่ร่วมกันส่งกันแต่ทีนี้ว่าแม้จะเป็นต่างพักการเมืองแต่ว่าเขาเป็นพักการเมืองเพื่อร่วมในรัฐเดียวกันเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติเดียวกันแล้วก็เพื่อระบบการปกครองสังชาิปธิปไตยร่วมกันเราจะมีสมานฉันท์ในระดับนั้นเราต้องแยกเป็นระดับความหมายความว่าเขาสามารถขาดสมานฉันท์ได้ในระดับของความต่างของพักการเมืองอันนี้เราต้องยอม แต่เขาควรจะมีสมานะชันทะในระดับที่เหนือพักการเมืองก็คือในระดับของรัฐของประเทศชาติและของระบบประชาธิปไตยนี่เราก็ต้องไปแยกสี่อันไหนมันเป็นสมานะชันทะที่เรายอมให้เขาขาดได้เพราะเป็นเรื่องของระดับพักที่เขาต้องแยกกันอยู่แล้วและระดับไหนเป็นระดับของรัฐของส่วนรวมทั้งประเทศของระบบประชาธิปไตยอันนั้นจะต้องมีสมานะันทะ เช่นว่าเมื่อเป็นระบบประชาธิปไตยมันก็ต้องมีฉันทะที่จะทําการเพื่อให้ระบบการปกครองที่เราเรียกประชาธิปไตยเนี่ยมันดําเนินไปได้ตั้งอยู่ได้อย่างมั่นคงใช่ไหมเราก็มาดูสิสมานะฉันท่าในเรื่องนี้มีอะไรเขาจะต้องตรงกันถ้าเขาไม่ตรงกันอีกมันก็แสดงว่าไอ้รัฐนี้อยู่ไม่ได้เลยก็คิดว่าต้องไปแยกตรงนี้แยกระดับเพราะฉะนั้นเราจะไปสับสนว่าจะต้องไปมีสมานฉันท่ทุกเรื่องเป็นไปไม่ได้ยอมเลย คุณจะต่างก็ต่างกันไปในระดับพรรคแต่ว่าที่คุณจะทำเรื่องนั้นสมานชันในเรื่องนั้นที่ต่างกับคนอื่นแต่จุดหมายของคุณนก็เพื่อจุดหมายเดียวกันกับคนอื่นใช่ไหมสำหรับรัฐแต่ว่าความคิดเห็นในการที่จะทำการเพื่อจุดหมายนั้นของคุณของพรรคนี้มันไม่ตรงกับพรรคนั้น akkor, เพื่อจุดหมายอันเดียวกันนี่แหละแต่พรรคนี้ก็เห็นว่าต้องทาการนี้เขาก็ทาของเขาแบบหนึ่ง และวก็อีกพวกหนึ่งเขาก็เห็นอีกอย่างหนึ่งเขาก็ทําการอีกอย่างหนึ่งเพื่อจุดหมายเดียวกันนั่นแหละถ้ามันสมานกันได้แค่บางเรื่องเนี่ยแะถามว่ามันเรื่องอะไรที่สําคัญพอที่จะให้ประเทศชาติเป็นไปได้ที่พอจะให้ส่วนรวมไปได้สาระสําคัญของจุดที่ต้องสมานกันก็จุดหมายรวมของประเทศชาติจุดหมายรวมของระบบประชาธิปไตยอันนี้เป็นสิ่งที่จะต้องตรงกัน อันนี้อธตมาว่าเราต้องมาแยกแล้วละ่ะไม่ใช่ว่าจะพูดขึ้นมาได้ทันทีจะต้องมาแยกแยะ ก, กันแหละถ้าเราได้แนวนะเราสามารถไปแบ่งจัดแยกได้ก็อาจจะมีการจัดคลาสสิฟายมาอย่างน้อยก็มาจับจุดให้ได้ว่ามีกรณีของการกระทําเรื่องใดบ้างที่จะต้องตรงกันและนอกจากนั้นเรายอมให้ต่างได้ไม่จําเป็นต้องสมานฉันท์ในทุกเรื่อง เพราะว่าสมาธิฉันอย่างที่บอกเมื่อกี้มันเน้นที่สิ่งที่กระทํามันไม่ใช่แค่อลอยๆมาอยู่ที่ใจซึ่งมันกลายเป็นเรื่องที่จับอะไรจะ อ, อะไรไม่ค่อยได้เลยผ่อนเชิญการไปยินถามพระคุณเจ้าะฮะท่านบอกว่าสังคมไทยดีจะต้องให้เจริญปัญญามากๆออให้ข้อมูลที่เป็นกลางออนะฮะแล้วก็เคยอ่านของท่านว่าข้อมูลเนี่ยเราควรเป็นข้อมูลที่ว่าตั้งแต่ต้นจนปลายไม่ใช่ยกเฉพาะตอนที่ตัวเองต้องการมา ะะที่ข้อมูลที่สังคมไทยหรือประชาชนได้รับปัจจุบันนี้เนี่ยส่วนใหญ่จะได้รับผ่านสื่อนะฮะที่สื่อก็เสนอเสนอข้อมูลที่ว่าผิดเพี้ยนบ้างบิดเบือนบ้างยกเฉพาะบางตอนบ้างไม่ให้ข้อมูลที่เป็นกลางกทั้งหมดเนี่ยถ้าจะปรับปรุงสื่อเพื่อให้ให้ให้คนไทยได้เจริญปัญญาอย่างแท้จริงเนี่ยควรจะปรับปรุงอย่างไรนะครับ อ๋อไปปัญหาเรื่องปรับปรุงสื่อแล้วเลยว่านี่ก็เือให้เกิดสัมพันชาตเป็นเรื่องยากก็คือมันต้องมีเจตนาที่เขาเสนอข้อมูลเป็นบางจุดบางแง่เนี่ยมันก็เป็นการสนองเจตนาบางอยา่างอย่างน้อยก็เช่นเจตนาให้ตื่นเต้นข้อมูลบางอย่างมันทาให้ตื่นเต้นเฉพาะกรณีเสร็จแล้วก็แล้วไปเขาก็ไม่ได้มีเจตนาที่มันสูงเหนือขึ้นไปอีกว่าเออเพื่อเราจะได้รู้เข้าใจเรื่องราวนี้จะได้ปฏิบัติในเรื่องนี้ได้ถูกต้อง เจตนาอย่างนั้นมันไม่มีมันก็เลยได้แค่ว่าเอาแค่เขาตื่นเต้นแล้วก็จบถ้าอย่างนี้มันก็ขาดเรื่องเจตนาด้วยเจตนานี่แหละเป็นตัวสําคัญที่จะทําให้เราทําการได้ถูกเจตนาที่มุ่งเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนเพื่อประโยชน์กับประเทศชาติอะไรเงี้ยนะคือถ้าสื่อมีเจตนานี้อยู่เวลาเขาจะเสนอข่าวสารข้อมูลมันก็แน่ล่ะเขาต้องคิดว่าทําไงจะให้ประชาชนรู้เข้าใจความจริง แล้วจะได้นําไปสู่จุดหมายที่ว่าจะได้ประพฤติปฏิบัติทําการอะไรแต่อะ ไ, ได้ถูกต้องถ้าเจตนานี้ไม่มีมันก็ได้เจตนาที่มันกระเสินกระสายกระจัดกระจายที่มันทําให้เกิดปัญหาเช่นความแบ่งแยกเป็นต้นไม่สามารถรวมกันได้หรอกแต่ที่เด่นตอนนี้ก็คือหนึ่งเจตนาให้ตื่นเต้นบางทีเจตนาตื่นเต้นเพื่ออะไรเพื่อขายหนังสือให้ได้ได้มาก อเอาดังนั้นก็เป็นเจตนาสนองผลประโยชน์ทางธุรกิจไปอันนี้มันก็มีได้ไปเจตนาเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจแต่ว่ามันต้องเป็นรองต้องมีเจตนาที่เหนือนั้นก็คือเพื่อผลประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนทำไงเราจะให้มีอันนี้ได้ที่เขาเรียวกว่าจิตสํานึกเนี่ยจิตสํานึกที่มุ่งเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติประชาชนอันเนี้ยมันต้องอาศัยทุกจุดเลยนะมันตั้งแต่ผู้บริหารรัฐเลย เรามีไม้มเจตนาอันนี้ที่เขาเรียกกันว่าจิตสำนึกที่ว่ามุ่งเพื่อประโยชน์สุขของประเทศชาติประชาชนเนี่ยถ้ามันคิดจะทำอันนี้อยู่นะถ้ามันมีขึ้นนะมันจะไปทำอะไรเราไม่ต้องห่วงแล้วนะนี่แหละเจตนาที่เราต้องการแต่มันมีไหมเจตนาเนี่ยเรากาลังบ่นกันมากนะว่าเราขาดอันนี้อยู่เพราะนั้นคนก็จะเอาแต่ตัวเองเอาแต่ผลประโยชน์ของตัวเอง เอาเรื่องที่เพียงแต่หนึ่งเป็นของเฉพาะตัวสองเป็นของชั่วคราวเฉพาะวันวันวันหนึ่งวันวันหนึ่งพอให้ผ่านไปมันไม่มีจุดมุ่งหมายที่เป็นระยะยาวและก็เป็นส่วนรวมสองอ่นมังค่าซึ่งเป็นอันเดียวกันจุดมุ่งหมายที่เป็นระยะยาวและก็เพื่อประโยชน์ส่วนรวมของประเทศชาติประชาชนไม่มีอย่างนี้เราต้องพยายามจนหนักอันนี้แล้วก็พยายามสร้างขึ้นให้ได้ ท้าไม่ได้แล้วก็มันไปได้ยากแล้วถ้าอันนี้มีนะมันเป็นจุดรวมที่เจตนาของทุกคนเนี่ยมาสมานกันนะนนเจตนาที่ทําการที่เจรสมานฉันในระดับของทั้งประเทศทั้งรัฐก็คือทุกคนเนี่ยมุ่งจะทําการเพื่อประโยชน์กับประเทศชาติเพื่อสังคมเพื่อส่วนรวมเพื่อประชาชนถ้าหากมีอันนี้อยู่มันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันอยู่ในตัวและทุกคนตั้งแต่ผู้บริหารประเทศชาติ จะเป็นนักการเมืองหรือจะเป็นสื่อมวลชนหรือเป็นอะไรมันก็เป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วมันไม่แตกแยกนี่ถ้ามันไม่มีอันนี้แล้วเราจะทําไงสมานะฉันทะอันี้ขาดก็ต้องแตกกระจัดกระจายหมดยิ่งถ้าไปเจตนาเพื่อผลประโยชน์ทางธุรกิจมันก็กลายเป็นเรื่องของบุคคลหรือของกลุ่มชนนั้นเท่านั้นแหละพออย่างนี้แน่นอนมันก็จัดกระจายแล้วไม่มีทางรวมกันได้นั่นนี่คือสมานะฉันใหญ่เลยของประเทศชาติ ทั้งสังคมเลยเห็นด้วยไม่ละเลยเจตนาเสบอกันเพื่อประโยชน์ของชาติครับใช่อันนี้ต้องมีถ้ามีอันนี้สื่อมวลชนมีก็สบายและผู้บริหารรัฐมีตรงกันแล้วเถียงกันไปไม่เป็นไรไม่มีปัญหาเพราะเจตนาเขาตรงกันท่านโทษขอแทรกนิดนึงนะคะคือว่าตามที่ท่านกล่าวมาเนี่ยนะคะสหรับผู้ที่ฟังเนี่ยนะคะก็จะต้องใช้ปัญญา นะคะใช้ปัญญาที่จะแยกแยะข่าวสาราอันนี้ถือว่าการที่ว่าจะให้ผู้สื่อข่าวเนี่ยมีเจตนาดีเนี่ ย, ยก็คงจะเป็นไปไม่ได้ทั้งหมดในในขนาดเดียวกันเนี่ยผู้ฟังผู้รับข่าวผู้อ่านข่าวเนี่ยก็สามารถที่จะแยกแยะโดยใช้ปัญญาของตัวเอง Uh, ในการที่จะพิจารณาว่าแหล่งข่าวอันนี้มาจากแหล่งข่าวที่ไหนแต่ส่วนใหญ่เนี่ยถ้าเผื่อเราจะเห็นว่าแหล่งข่าวถ้าเผื่อจะอ่านข่าวต่างประเทศเรื่องเกี่ยวกับความขัดแย้งในตะวันออกกลางในขณะนี้เ ร, เราจะเห็นว่าแหล่งข่าวเนี่ยมาจากข่าวสํานักข่าวอเมริกันสังเกตว่าแหล่งข่าวเนี่ยมันมาจากไหนเราจะเห็นว่ามันไม่ค่อยได้มีความยุติธรรมมากนักนะคะอันนี้ก็ถือว่าเป็นผู้รับที่มีปัญญา ประเด็นที่คุณเมื่อกี้พูดมาเนี่ยนะคะเรื่องเกี่ยวกับนโยบายอะไรที่จะให้หลวงพ่อตอบเนี่ยนะคะก็ก็เห็นด้วยที่ว่าหลวงพ่อบอกว่าจะต้องแยกแยะออกไปให้เป็นขั้นเป็นตอนเป็นส่วนอย่างเช่นเรื่องนโยบายการศึกษา ม, มันก็จะมีนโยบายการศึกษาบางตัวบางส่วนที่จะสามารถให้พักต่างๆเนี่ยมาร่ว ม, มสมานฉันกันได้อ่าเป็นกรณีไปอาจจะไม่ใช่นโยบายการศึกษาทั้งหมดแต่เป็น ตัวไหนก็ต้องแยกแยะ ก, กันไปว่าอันนี้เนี่ยจะสามารถให้พรรคต่างๆเห็นด้วยไหมย อ, อย่างเช่นในต่างประเทศก็เรียกว่าถ้าเผื่อเป็นพรรคใหญ่นะคะ <Yeah. S 1> ก็จะ bipartisan ก็คือเป็นพรรค bipartisan support แล้วก็ ก็พักต่างๆเนี่ยค่ะเขาก็จะเอ่ยยกมือให้ให้ผ่านกฎหมายอันนี้ผ่านอันนั้นก็เราจะต้องมาพิจารณากันอีกทีหนึ่งเพราะฉะนั้นคิดว่าในสังคมไทยถ้าเปื่อเรามีปัญญาชนนะคะเนี่ยที่นั่งอยู่เนี่ยทั้งทั้งหลายพิจารณาส่วนนี้แล้วก็ส่วนรายละเอียดเอาอารมณ์ความรู้สึกออกแยกแยะข้อมูลก็คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเราจะช่วยได้คืออารมณ์ต่ออารมณ์มันก็ไม่ไม่ได้ใช้ปัญญา ก็อันนี้ก็เป็นข้อเสนอแนะการพัฒนาคืออันนี้ก็ต้องแยกเป็นสองดนว่าตอนนี้เรากำลังพูดถึงฝ่ายผู้ที่ทํางานเช่นว่าสื่อหรือผู้บริหารรัฐก็ต้องเป็นงันทีนี้มาดูฝ่ายประชาชนเช่นผู้รับฟังสื่ออ่านสื่ออันนี้ก็แน่นอนเป็นการพัฒนาประชาชนประชาชนจะรับข้อมูลข่าวสารอย่างไรเช่นว่าจะต้องมีความรู้เท่าทันจะต้องมีปัญญายแยกแยะอันนี้ต้องไปพูกันเรื่องใหญ่เลยทีเดียว ก็ต้องพัฒนาคนน่แหละแต่ว่าในแง่ของฝ่ายผู้ทำงานเช่นสื่อเนี่ยเราก็ต้องพัฒนาให้เขาเป็นคนที่มีคุณสมบัติอย่างที่ว่าเ่นมีเจตนาอันนั้นน่แล้วประชาชนก็เช่นเดียวกันเมื่อจะรับฟังสื่อนั้นถ้าเขามีเจตนาเพื่อประโยชน์สุขแก่ส่นรวมอยู่แล้วเนี่ยการที่จะมาแยกแยะข่าวสารก็จะง่ายขึ้นแต่ไม่ใช่หมายความว่าพอนะก็ต้องพัฒนาเรื่อง ปัญญาความสามารถในการที่จะรับข่าวสารด้วยการที่จะแยกแยะต่างๆได้เรื่องสมานะฉันท่านนี่มีอะไรไม่เลยบอชเชิญกลับเป็นผ่านพระอาจารย์นะฮะเรื่องสมานะฉันท์พระเรือ่องที่ท่านพระอาจารย์ว่ามาเนี่ยเป็นๆกลุ่มใดกลุ่นึ่งก็ตามคือในความเป็นจริงของสังคมนะฮะสังคมเรารวมตัวกันอยู่เป็นกลุ่มไม่ว่าจะมองกลุ่มในแง่ใดก็ตามจะเป็นกลุ่มพักการเมือง กลุ่มวิชาชีพจะเป็นหมอพยาบาลหรือว่า<ร>อื่นๆ ห, หรือแม้กระทั่งสังคมที่เป็นสังคัดโดยปกติแล้วในการที่รวมมันเป็นกลุ่มได้เนี่ยเราคงคิดว่ามันต้องมีความสมา น, นฉันท์คืออย่างน้อยก็มีศีลเสมอกันมีทิฏฐิเสมอกันนะส่วนเรื่องเจตนาเนี่ยเป็นเรื่องส่วนบุคคลซึ่งมองเห็นได้ยากแล้วก็คนอื่นอาจจะบอกไม่ได้ว่าแต่ละคนเป็นยังไง<ร>ปัญหามันเกิดขึ้นเมื่อว่าถ้ามีคนใดคนหนึ่งในกลุ่มนั้นนะฮะเกิด มีเจตนาที่เบี่ยงเบนไปหรือว่ามีศีลที่เคยมีอยู่แล้วพร่องออกไปหรือทิฏฐิที่แตกต่างออกไปโดยเฉพาะคนคนนั้นถ้าเป็นผู้ที่กลุ่มอํานาจในกลุ่มด้วยเราสมาชิกอื่นในกลุ่มควรจะมีทัศนคติอย่างไรหรือควรจะกระทําอย่างไรต่อคนคนนั้นนะฮะซึ่งคนคนนั้นเนี่ยมีศีลแล้วก็มีทิฏฐิที่ต่างออกไปแล้วไม่สามารถที่จะปรองดองให้อยู่ในกลุ่มได้ต่อไปสกันถามครับไอ้ทำอย่างไรมันก็อาจจะง่ายกว่าตอนที่ว่า การที่จะรู้เข้าใจว่าเป็นยังไงเพราะบางทีมันมาติดปัญหาแต่แตครั้นี้จะต้องเน้นเรื่องปัญญาก็ในเมื่อเราต้องการศีลเป็นสมาสนศีลทิฏฐิเป็นสมานทิฏฐิถ้ามันได้มันดีแต่ที่นี้มันเกิดไม่ได้ใช่ไหมอย่างที่ว่าเมื่อกี้เราจึงต้องไปเอาไอ้ตั้งน้ำ ม, มาทำที่ต้องใช้ความเปลี่ยนพยายามนี่คนที่มีปัญหาก็คือเจตนานที่มันอยู่เบื้องหลังที่ทําให้เขาเนี่ย ทำศีลให้ผันแปรวิปริตไปศีลที่มันวิปริตผันแปรเพราะอะไรเพราะมันมีเจตนาอยู่เบื้องหลังอันนี้ถ้าหากเจตนาไม่ดีคนอื่นก็จะต้องมีความรู้เช่นรู้เท่าทันนี้ถ้าประชาชนเป็นต้นน่ะรู้ไม่เท่าทันขาดปัญญาแล้วจะไปแก้กยังไงมันก็กลายเป็นว่าไม่มีความรู้เท่าทันขอภายเชนเราอาจจะถูกหลอกง่ายๆก็ได้น่าแล้วจะไปแก้ไขยังไงละ่ะพร ะ, ะนั้นจึงต้องเน้นเรื่องปัญญานี่ ทีนี้ถ้าเราไม่สามารถให้ปัญญาเกิดความรู้เข้าใจเช่นความรู้เท่าทนันปัญหามันก็เกิดขึ้นที่ว่าแม้จะเจตนาดีเช่นประชาชนนั้นมีความตั้งใจทําเพื่อประโยชน์สู่แก่ส่วนรวมแต่เสร็จแล้วแกไม่รู้เท่าทันอย่างเงี้ยปัญญากัไม่มีแกก็จัดการปฏิบัติการในเรื่องนี้ไม่ถูกเพราะนั้นมันจึงต้องมีด้วยกันเพราะปัญญาจะมาเป็นตัวปรับเจตนาปรับทางด้านจิตใจ เมื่อปัญญามารู้เท่าทันมันเห็นอย่างนี้มันเข้าใจอย่างนี้ถูกต้องความจริงเป็นอย่างนี้และเจตนามันก็ไปเองเจตนาในขั้นที่มันจะทำการอย่างไรเพราะะนั้นปัญหาตอนนี้ก็คือการพัฒนาของสังคมเราในระดับการพัฒนาประชาชนนี่ก็ต้องยอมรับว่ามันยังไม่เพียงพอว่าเราพัฒนาปัญญาของประชาชนไม่เพียงพอความรู้เข้าทันข่าวสารข้อมูล การศึกษาที่จะเรียนรู้เรื่องของการปฏิบัติจัดการอะไรต่างๆในระดับประเทศชาติสังคมมันเป็นยังไงอะไเนี้ยกลไกต่างๆในทางรัฐอะไรเนี้ยประชาชนไม่เข้าใจใช่ไหมแม้แต่เรื่องประชาธิปไตยประชาชนจํานวนมากก็ไม่เข้าใจว่าประชาธิปไตยมันอยู่ตรงไหนก็มองแค่ว่ามีการเลือกตั้งการเลือกตั้งคือประชาธิปไตยหรือว่าผ่านรัฐธรรมนูญคือประชาธิปไตยก็เป็นอย่างงี้ใช่หรือเปล่าล่ะ อย่างเรื่องประชาธิปไตยในคนไทยมีความเข้าใจแค่ไหนมันก็กลายไปว่าขาดไอ้นี่ตัวสำคัญคือคุณสมบัติสำคัญเลยก็ตัวปัญญาเนี่ยนี่ปัญญากับเจตนาต้องมาคู่กันไอ้เจ้าเจตนาไม่ดีมีปัญญาก็เอาไปใช้ในทางร้ายอีกก็กลายเป็นว่าเรามีปัญญารู้เข้าใจดีแล้วแต่เจ้าเจตนาเรามุ่งไปเช่นเพื่อประโยชน์ตนก็เลยเอาปัญญานี่มาใช้เพื่อลอกคนอื่นไปเลย คนอื่นก็กลายเป็นเครื่องมือทีนี้ถ้าสังคมมีปัญญาดีประชาชนมีความเสมอกันจริงนะมันก็จะรู้ทันกันปัญหาเหล่านี้มันก็จะเบาบางไปนั่นเป็นเป็นปัญหาของสังคมทั้งหมดจึงต้องเน้นเรื่องการพัฒนาคุณภาพประชาชนให้มากพอทำอะไรอะไรต่างๆเหล่านี้ระยะนี้เราต้องการคุณสมบัติอันนี้มากพัฒนาคุณภาพประชาชนให้หนักหน่อย ก็อย่างเรื่องการเลือกตั้งหรือกิจกรรมประชาธิปไตยอะไรต่างๆเนี่ยเราก็มาเน้นกันในเรื่องของรูปแบบตัวกลไกว่าทําอย่างงั้นอย่างนี้เรานึกว่าเป็นปัญญาเปล่ามันไม่ใช่ตัวปัญญาไอความรู้เหตุรู้ผลในเรื่องเหล่านี้ในระบบการปกครองมันไม่มีดังนั้นประชาชนก็รู้จักประชาธิปไตยแค่ตัวรูปแบบเรื่องของกลไกเนี่ยเท่านั้นเองยังไม่เข้าใจประชาธิปไตยนี่ เราจะเป็นประเทศประชาธิปไตยจะปัญญาที่รู้ประชาธิปไตยมันยังน้อยนะเป็นปัญหาพื้นฐานเลยด้ยพรเมื่อกี้จะถามอะไรครับกังทิงเป็นคำถามร่วมกันลูกลุงเจตนานกี่กับอะไรนะครับที่จิตสานึกนะี่เป็นอันเดียวบ่าอ๋อจิตสานึกนั้นเป็นการพูดแบบที่เรียกว่าเน้นจุดหนึ่งเน้นจุดหนึ่งที่ไปสัมพันธ์กับไอตัวเป้าหมาย ใช่ว่าจิตสานึกทางสังคมก็หมายความว่าเรามีเป้าหมายทางสังคมว่าทุกคนเนี่ยควรจะช่วยกันสร้างสารรค์สังคมนี้นะแล้วก็เรามีจิตที่ตั้งหรือมุ่งหมายไปที่ให้ตัวประโยชน์ของสังคมอันนี้เจตนาตัวนี้เป็นเจตนาเฉพาะเลยก็เรียกว่าจิตสานึกไปจิตสานึกคือเป็นเจตนาเฉพาะเรื่องไปเลยแต่เจตนานี่เป็นคำกลางๆใช้ได้วกวา้าง เจตนาในกรณีของจิตสํานึกทางสังคมก็คือเจตนาที่ตั้งใจดีที่จะทําเพื่อประโยชน์สุขของประชาชนของสังคมนั่นเองคือมันจะมาด้วยกันนะ่ะถ้าเราไม่มีจิตสํานึกเจตนาตัวนี้มันก็อ่อนเพราอมีจิตสํานึกขึ้นมามันก็ย้ําไอ้เจตนาตัวนี้ให้มันเด่นขึ้นมาเลยจิตสํานึกนี่มันจะไม่ขาดเจตนาเพราะว่าเจตนาเป็นตัวที่คุมแนวทางของจิตใจแล้วจิตใจมุ่งไปที่ไหนก็คือเจตนานั่นเอง ความตั้งใจจิตใจที่มุ่งหมายไปที่ไหนแม้แต่การเลือกว่าจะเอาอะไรนี่เจตนาเท่านั้นเจตนาแปลกันต่างๆบางคนแปลว่าวิลบางคนแปลว่าอิ tention บางคนแปลว่าวอลิชันใช้กันต่างๆเพราะว่ายังหาศัพท์ที่มันตรงแท้ไม่ได้เพราะนั้นนักธรรมะหลายท่านก็จะใช้กันต่างๆแต่ที่ใช้กันมากก็มีนี่หนึ่งวอลิชัน สองวิลสามอินเทนชันสี่บางท่านใช้ choice, ชอยส์ชอยสก็การเลือกเลือกจะเอาอยัางไงก็เป็นเจตนานนั่นก็ใช้กันต่างๆรวมความก็คือไม่สามารถหาศัพท์ที่ตรงเป๋งเลือกอ่อครับคำถามตรงๆเลยก็คือว่าถ้าเราเจอคนที่มีอำนาจเนี่ยครับแล้วก็ฉลาดด้วยได้ทำ การกระทําที่ใช้อํานาจโดยไม่ชอบทำคือได้ <Yeah. S 2> ทําความชั่วไปแล้วเนี่ยครับ <Yeah. S 2> แล้วพยายามจะใช้คําว่าสมานฉันเนี่ยมาเป็นเรื่องของการที่เหมือนกับว่าเบี่ยงเบนในสังคม oh. นะฮะให้ให้ยอมรับในความชั่วหรือความที่การกระทําที่ไม่ชอบทำเข้าไปแล้วอ <Yeah. S 2> ตรงเนี้เราจะทํำยังไงเพราะว่าผมผมทราบดีที่หลวงพ่อบอกว่าการจะสมานฉันได้และทุกคนตื่นตัวรู้เจ ต, ตนาที่ รู้ทันกันได้ก็อยู่ที่ปัญญ า, าแต่บางครั้งพอคนที่มีอำนาจมากและฉลาดมากเนี่ยก็สามารถทำอะไรที่เกิดผลเสียต่อประเทศชาติได้เกินกว่าที่เราจะปล่อยให้ความเสียหายมันเกิดขึ้นเนี่ยครับและพอใช้สมานฉันเป็นเครื่องมือในการที่จะทำให้สังคมเนี่ยลืมสิ่งที่เขาทำชั่วไปแล้วเนี่ยตรงนี้เราจะทำยังไงครับอ้าวเราก็ต้องให้คนรู้ว่าคำว่าสมานฉันนหนึ่งมันก็ใช้กันแบบคลุมเครือ สเราก็ต้องรู้ว่าในกรณีที่คลุมเครือนั้นมันใช้เป็นคนอุบายได้นะก็ต้องรู้ทันอย่างนี้ด้วยสิสมานะฉันติดแทมันก็ต้องมาย้ำเตือนกันว่าอะไรคือสมานะฉันติดแทร่และจะเกิดขึ้นได้อย่างไรมันก็ต้องทําความชัดเจนด้วยเพราะขณะนี้ปัญหามันอยู่ที่เราก็คลุมเครือนี่สังคมใช้กันอย่างคลุมเครือนี่ก็ไม่รู้ว่าอะไรกันสมานะฉันก็อ่านกันไปเรื่อยเลยอ่าหลวงพ่อครับ ไหนก็ย้อนกับมาเจตกระหนามัต้องย้อนมาอาจจะ<ห>ต้องอาจจะต้องที่อาจารย์ประเวศได้เขียนบทความไว้ด้วยไหมครับว่าอัตามให้ยกเรื่องของที่ท่านพุทธทาสได้ยกหลักธรรมรอัตามยาตาคถาก่อนหรือรเปล่าครับถึงจะมาสมานฉันได้ครับ <c oughs> อันนี้กลับเรียนถามด้วยความว่าจําเป็นอย่างยิ่งที่เราต้องกําจัดไอ <c oughs> ้ความชั่วร้ายหรือเปล่าครับไอ <c oughs> ้ความชั่วร้ายมันแน่นอนมันต้องพยายามกําจัดให้หมดไป แต่ว่าถ้ากำจัดตัวความชั่วร้ายได้ก็ดีโดยไม่ต้องกำจัดคนร้ายนะหมายความว่ากำจัดความร้ายในคนร้ายให้เขากลายเป็นคนดีถ้าทำได้มันก็จะดีทีนี้ว่าทำไงล่ะมันแก้ยากใช่ไหมทีนี้ถ้าหากว่าประชาชนมีปัญญารู้เท่าทันดีเนี่ยมันก็ทำอะไรที่มันเป็นการเบี่ยงเบนวิปริตด้วยเจตนาไม่ชอบทำเนี่ยได้ยาก นี่เจตนาตัวเนี้ยถ้าปัญญามันขาดมันก็ได้โอกาสฉะ น, นั้นปัญญามันต้องเจตนามนต้องคู่กันนะปัญญามันเป็นตัวที่จะมาทําให้เจตนาเนี้ยอยู่ในกรอบที่ถูกต้องไม่เบี่ยงเบนแล้วปรับแก้ได้ผมคิดว่าประเด็นสมานนฉันมีใครจะยกประเด็นอะไรไหมครับจะได้พูดถึงเรื่องท่านเหนื่อยไหมครับ ไม่เป็นไรแล้วก็ว่ากันพอเริ่มแล้วก็ไปแหละเรื่องนี้